แทนที่จะใช้ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยฉันทะคําเดียวก็แยกออกไปเป็นสี่คํา 1. เริ่มด้วยว่าถ้ามีฉันทะคือความปรารถนาดีหรือความต้องการให้ดีนั้นต่อเพื่อนมนุษย์ในยามปกติเห็นใครก็อยากให้เขามีร่างกายสมบูรณ์งดงามมีหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสอยากให้เขามีความสุขซึ่งก็เป็นความอยากเพื่อคนนั้นหรือเพื่อสัตว์นั่นเอง ไม่ใช่เรื่องตัวตนของเราความอยากอย่างนี้เป็นความปรารถนาดีพื้นฐานเป็นอย่างที่หนึ่งเป็นข้อแรกเรียกว่าเมตตา 2. ทีนี้ต่อไปถ้ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามไม่อยู่ในสภาพที่เป็นปกติไม่สมบูรณ์ไม่งดงามมีความบกกร้องประสบทุกข์ยากลำบาก หรือตกตามลงไปเราก็อยากให้เขาพ้นจากความทุกข์จากความยากไร้ขาดแคลนจากความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนั้นอย่างที่ว่าแล้วสําหรับมนุษย์และสัติ์ทั้งหลายนี้ท่านให้ความสําคัญพิเศษมีสา์เรียกแยกไปเลยท่านเรียกความอยากให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเป็นทุกนี้ว่าการุณา สต่อไปอีกถ้าคนนั้นเกิดประเจริญงอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นหรือเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีหน้าตาสวยงามผ่องใสหรือใครทําความดีงามก้าวหน้าประสบความสําเร็จนี่คือเขาขึ้นสูงกว่าเดิมหรือเหนือกว่าเดิมเราก็ปล่อยชื่นชมยินดีด้วยเรียกว่ามุติตา 4. ในสถานการณ์ที่อาจจะเรียกว่าพิเศษถ้าคนนั้นเขารับผิดชอบตัวเขาเองได้หรือเขาควรรับผิดชอบต่อตนเองเป็นความสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นที่ควรจะให้เขาอยู่หรือดาเนินไปในภาวะอย่างนั้นเราไม่ควรเข้าไปแทรกแซงเช่นพ่อแม่ดูแลลูกเล็กอยู่เขากำลังหัดเดินต่อแต่เราปรารถนาดีต้องการให้เขาเจริญงอกงาม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 ที่โบราณแปลกันมาว่าวางเฉยนี้เรียกว่าอุเบกขารวมสี่อย่างมีชันทะเป็นจุดเริ่มต้นทั้งนั้นหมายความว่าชันทะแสดงตัวออกมาหนึ่งเป็นความปรารถนาดีต้องการให้เขาอยู่ดีมีความสุขในยามเขาเป็นปกติเรียกว่าเมตตา 2. ในความปรารถนาดีในยามที่เขาตกต่ำลงไปต้องการให้เขาพ้นถอนตนขึ้นมาได้หายทุกสู่สภาวะที่ดีเรียกว่าการุณา3าเป็นความปรารถนาดีในยามที่เขาก้าวไปได้ดีแล้วสูงขึ้นไปต้องการให้เขาดีงามเจริญยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่ามุติตา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 ไม่ถึงธรรมไม่บรรจบกับธรรมคนนั้นก็จะไปได้แค่ดีแต่อาจจะไม่ถูกจะต้องมีด้านรู้ให้เต็มด้วยจึงจะถึงธรรมได้จึงจะถูกต้องจริงได้และจึงจะหมดทุกมีสุขที่สมบูรณ์ได้พู้ตรงตามสัพระก็คือพัฒนาด้านจิตใจไปจนเต็มที่อย่างไรก็ไม่พอไม่สมบูรณ์จิตใจเองนั่นแหละ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 สมข้อแรกยังเป็นขั้นความรู้สึกใจ้คำฝรัง่งบางท่านเข้าใจง่ายขึ้นคือยังอยู่ในขั้นของอิโมชันแม้จะเป็น positive emotion อย่างยอดเยี่ยมมนุษย์ก็ยังต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งให้ถึงปัญญาต้องมีปัญญามาปรับมาชำระมายกอีโมชันขึ้นอีกทีหนึ่งขึ้นบรรจบกับปัญญานี้เป็นข้อที่สี่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 เขาประสบความสำเร็จมีเงินใช้สบายละ่ะเข้าหลักว่าเขาได้ดีมีสุขเราจะว่าอย่างไรก็บอกว่าเข้าข้อสามแล้วนี่เราก็มุทิตาพลอยยินดีด้วยสิอย่างนี้ไม่ถูกแล้วคืนปฏิบัติธรรมกันอย่างนี้อยู่กันแค่ความรู้สึกแม้จะเป็นความรู้สึกที่ดีเดี๋ยวคงยุ่งแนาจะลักขโมยกันใหญ่สังคมก็จะเดือดร้อนไม่ดีแน่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 สามข้อแรกคือเมตตากรุณามุทิตาอยู่แค่จิตใจได้แค่รักษาคนพอถึงอุเมขาก็ไปถึงปัญญารักษาธรรมได้ด้วยถ้าคนไปละเมิดธรรมก็ต้องเอาธรรมไว้ก็เลยต้องรักษาธรรมความยุติธรรมความเป็นธรรมรักษาความถูกต้อง ก็มาจบมาเต็มที่อุเบกขาซึ่งเป็นความรู้สึกที่เกิดจากมีปัญญาเข้ามาร่วมแล้วก็อุเบกขาเพื่อรักษาธรรมหรือธรรมะเป็นตัวสร้างสมดุลให้สีข้อครบบริบูรณ์เต็มที่นั่นเองจึงเป็นพระพรหมผู้อภิบาลโลกได้จริงตามความหมายในแบบของพุทธศาสนา